อหนูใข่กับปลาต้มปลาร้าหมดแล้วใช่ไหมยายถามเด็กผมแกลหมดแล้วครับยายคนเป็นหลานตอบทำไมเอ็งไม่บอกยายละ่ะเมื่อเช้าขายของหมดยายจะได้ซื้อได้หามาไวเอ็งเนี่ยไม่รอขอบเลยนะ อย่างนี้จะไปเป็นพ่อป่านพ่อเรือนได้ยังไงยายบน่นถ้ามันลำบากนักผมบวชไม่สึกก็ได้หลานชายประชดน้ำหน่ายอย่างเองนะหรือจะบวชหม่สึกยายว่าไม่ทันจะครบสามวันเจ็ดวันผ้าเหลืองก็ร้อนเส็จแล้วนะสิผู้เป็นยายปรามาศ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 จะได้ไม่บาปส่วนปลาดุกที่จะนํามาต้มใส่ปลาร้านั้นยายก็จะเลือกซื้อปลาที่ตายแล้วแถมบางครั้งก็มีกลิ่นตุตุเวลานํามาโขลกใส่น้ําพริกจึงทําให้รสชาติไม่อร่อยเหมือนปลาสดๆเด็กชายจึงคอยหาโอกาสไปซื้อเองเพราะนอกจากจะได้ของสดแล้วยังได้เม้มสตางค์ไว้เป็นค่าขนมอีกด้วยก็ต้องไปนะสิ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 เด็กชายใช้วิธีซื้อฟองดีๆแล้วมาแอบเคาะตรงประตูรั้วก่อนเข้าบ้านทำอย่างนี้มานมนานโดยที่ยายไม่รู้ส่วนปลานั้นพอชี้ตัวไหนแม่ค้าเขาก็ทุบหัวให้เสร็จสับไม่เห็นจะยากเย็นแต่ประการใดยายกำลังดา ย, าย่าอยู่ข้างต้นมะม่วง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 เมื่อเสียงอันมีอำนาจของยายดังก้องขึ้นเบื้องหลังไอ้หนูใครบอกใครสอนให้เอ็งทำอย่างนั้นอารามตกใจเด็กชายเคาะไข่ฟองสุดท้ายแตกเละคามือยายมาปรากฏกายอยู่เบื้องหลังมือทั้งสองข้างเท้าสะเอวยายถามว่า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 รีบขึ้นบ้านเดี๋ยวนี้ยายสั่งเสียงเฉียบขาดหลานชายเดินก้มหน้างุดงุดขึ้นไปบนบ้านวางถุงไข่กับปลาลงแล้วเดินไปหยิบไม้เรียวมาให้ยายโดยไม่ต้องให้บอกเขาวางไม้เรียวไวข้ข้างๆถุงใส่กับข้าวไปล้างมือล้างไม้ให้สะอาดสะอานเชี่ยก่อนเด็กผมแกะก้มลงหยิบไม้เรียวขึ้นมาถือ เตรียมจะเดินไปยังตุ่มหลังบ้านทำไมต้องเอาไม้เรียวไปด้วยยายว่าไปล้างมือล้างไม้ให้สะอาดสะอ้านเสียก่อนผมก็เลยจะเอาไปล้างเขาพูดเรียนเสียงยายนี่เอ็งอย่ามากวนประสาทยายนะประเดี๋ยวไน้ถูกเขียนเป็นสองเท่ายายขู่เด็กชายจึงวางไม้เรียวไว้ตามเดิมแล้วออกไปล้างมือ ยังตุ่มน้ําหลังบ้านแกล้งถ่วงเวลาให้เนิ่นนานเพื่อให้ยายจะได้หายโมโหกโกรธาแต่ไมช้านักมือเอ็งใหญ่มากเรื่องไงถึงได้ล้างนานอย่างนั้นยายตะโกนว่ามาตอนนี้ยังไม่ใหญ่หรอกครับตอนเป็นเปรต ถ, ถึงจะใหญ่ยายบอกว่าคนเป็นเปรตมือจะใหญ่เท่าใบลานผมเลยซ้อมล้างไว้ก่อน เขาตะโกนตอบยายคร้านจะตอบปากต่อคําจึงนั่งรอหยิบห่อปลามาแก้ดูยิ่งฉุนเทียวหนักขึ้นปลาดุกหัวยุบลงไปมีเลือดไหลออกมาตามรอยแตกในความฉุนเทียวนั้นยายรู้สึกสลดใจเริ่มสำรวจตัวเองว่าบกพร่องตรงไหนบ้างยายพยายามเลี้ยงดูเด็กผมแกละอย่างดีที่สุดอบรมร่ำสอน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 มีลูกดีหกชั่วหนึ่งก็ยังดีกว่าดีหนึ่งชั่วหกเพราะถึงจะเกิดท้องเดียวกันก็ใช่ว่ากรรมจะต้องเหมือนกันครั้นมาถึงหลานยายก็ใช้วิธีเดียวกับที่ใช้กับลูกแต่เหตุไฉนจึงล้มเหลวโดยสิ้นเชิงหรือเป็นเพราะว่ายายใจร้อนวู่วามใช้ไม้แข็งมาตลอดยายน่าจะลองใช้ไม่อ่อนดูบ้าง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 ยายพูดด้วยเสียงที่อ่อนโยนทั้งที่ต้องฝืนใจแต่มันอร่อยนะครับยายปลาสดๆอร่อยกว่าปลาตายเห็นยายหายโกรธเขาจึงกล้าสแสดงความคิดเห็นถูกแล้วไอ้หนูยายรู้ว่ามันอร่อยแล้วไข่สดๆมันก็อร่อยกว่าไข่ร้าวๆที่ลมเข้าแล้วใจไหม ใช่ครับผมถึงต้องขัดคำสั่งคงยายการกินของสดทำให้ท้องไม่เสียนะครับอย่างเวลาที่ผมพลากุ้งกินที่บ้านเพื่อนผมเอากุ้งฝอยเป็น เ, นเนมาโคลกับกระเทียมพริกขี้หนูแห้งใส่น้ำปลาบีบมะนาวโอ้โหอร่อยอย่าบอกใครเชียวกุ้งมันยังเต้นยิบยิบอยู่ในปากแม่เพื่อนผมเขาไม่เห็นว่าอะไรยังชมว่าผมทำอร่อยและท้องก็มีเสีย ถ้าเอากุ้งตายมาทำท้องเสียทุกทีไม่อร่อยด้วยเอาละ่ะยายขอถามเอ็งนิดเดียวว่าถ้าให้เอ็งลองมาเป็นกุ้งดูบ้างจะเอาไหมไม่เอาครับตอบท่านควันทำไมละ่ะอร่อยไม่ใช่หรืออร่อยคนกินนี่ครับแต่กุ้งมันคงปวดแสบปวดร้อนน่าดูถ้าอย่างนั้น เองก็เห็นแล้วใจไม่ว่าเราไม่ควรเบียดเบียนชีวิตสัตว์เราไม่อยากถูกเบียดเบียนฉันใดสัตว์อื่นเขาก็ไม่อยากถูกเบียดเบียนฉันนั้นเพราะฉะ น, นั้นจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นเพราะเห็นแก่ปากแก่ท้องจําไว้น้าหลานเกิดเป็นคน ต้องสัางความดีอย่าไปสั่งความเลวร้ายจะได้ไม่อายตัวเองแต่ใครๆเขาก็ทำอย่างนี้กันทั้งนั้นถ้าคนพากันคิดอย่างยายก็ไม่มีคนมาขายปลาให้เราซื้อกินหลานชายยังคงเถียงไอ้หนูอยายสอนเองบ่อยๆว่าอย่าไปเพ่งโทษผู้อื่น แต่ให้สำรวจตรวจสอบตัวของตัวเองใครเขาจะเป็นยังไงก็าช่างเขาเราทำตัวของเราดีเข้าไว้จะได้ไม่ไปเกิดในอบายงั้นคนอื่นเขาผ่ากันตกนรกเอ็งก็ไปตกกับเขางั้นสิก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่ครับดีสิอีกจะได้เป็นเพื่อนกัน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 ไม่มีเวลามาคบเพื่อนอย่างในเมืองมนุษย์หรอกหลานเอ้ยทางที่ดีอย่าไอ้ว่าอย่าเสียงดีกว่าถ้าไปเกิดในสวรรค์ชั้นฟ้าไม่ได้ขอให้มาเกิดในเมืองมนุษย์อีกกอย่างดีถ้าเองขืนสัางกรรมทาชั่วเองจะต้องไปเกิดในเมืองนรก เชื่อยายเถอะยายพยายามกล่อมเกล่าวจิตใจของหลานชายยายพูดยังกับว่าเคยไปเห็นเมืองนรกมาแล้วอย่างนั้นแหละเด็กชายไม่เชื่อว่านารกมีจริงเคยสิหลานถึงยายจะไม่เคยเห็นเมืองนรกที่มีอยู่อีกพบโคมหนึ่งแต่นรกในเมืองมนุษย์ ยายเคยเห็นมาแล้วอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ใจของเรานี่ที่เรียกว่าสวรรค์ในอกนรกในใจยังไงละ่ะเมื่อเรามีความสุขใจก็ปิติยินดีแช่มชื่นเบิกบานดังได้ขึ้นสวรรค์แต่ถ้าเราทุกทนหม่นไม่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 เช่นคนที่ไปปล้นไปฆ่าเขาตายก็ต้องตกนรกทั้งนรกในเมืองมนุษย์และในปราโลกสมมุติว่าเองไปฆ่าตัวตายเองต้องติดคุกอันนี้เท่ากับตกนรกสมมติว่าเองไปฆ่าเขาตายเองต้องติดคุก อันนี้เท่ากับตกนรกในเมืองมนุษย์และเมื่อเองตายไปก็ต้องไปตกนรกในปราลกหมายความว่าต้องตกนรกทั้งในชาตินี้และชาติหน้าอย่างนั้นหรือครับเด็กชายชักจะหวาดหวาดแม้ไม่เชื่อถูกแล้วแต่ผมก็ไม่เคยไปปล้นไปฆ่าเขานี่ครับแล้วก็ไม่เคยคิดจะทำเช่นนั้นด้วย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 จะทำให้กิเลสในตัวงอกงามขึ้นส่วนคนที่สะสมกับดีไว้มากก็จะทำให้กิเลสเครื่องเศร้ามองในตัวลดน้อยลงเขากดจะบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยเรื่อยและถ้าเขาดำเนินอริยมรรคมิองแปดกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานเขากดจะบริสุทธิ์ หลุดพ้นจากกิเลสและทุกข์ทั้งปวงเพราะอย่างนี้ยายถึงไม่อยากให้เองก่อกรรมทชั่วเพราะไม่อยากเห็นเองตกนรกอยากเห็นเองบอริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นพระอรหันต์ต่อไปในภายภาคหน้าผมไม่ตกนรกหรอกครับยาย เพราะไม่มีนรกจะให้ตกเด็กชายยังดื้อรั้นยายรู้สึกอ่อนใจใช้ไม่แข็งก็แล้วไม่อ่อนก็แล้วหลานชายก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนความคิดเห็นจะต้องวางอุเบกขาคิดเสว่าเป็นกรรมของเขาเขาทากรรมมาอย่างนี้จึงต้องมาเป็นอย่างนี้ยายถอนใจแรงๆหนึ่งครั้งบอกหลานว่า เอาของไปเก็บในครัวแล้วกดจัดการหุงหาอาหารเสร็จแล้วไอ้ลงไปช่วยด่ายาในสวนค่ำๆค่คอยกินข้าวกันยายไม่เคี่ยนผมแล้วหรือครับเด็กชายทวงถามเขาถูกยายเคี่ยนแทบทุกวันจนรู้สึกชินวันไหนไม่ถูกเคี่ยนวันนั้นเป็นนอนไม่หลับ ยายจะไม่เขียนเองอีกแล้วเพราะมันไม่ทําให้เองดีขึ้นไม่เรียวของยายไม่มีความหมายสําหรับเองแล้วคนอายุแปดสิบพูดโปร่ปงมีสิครับยายถ้าไม่มีไม้เรียวของยายผมอาจเลวร้ายยิ่งกว่านี้ยายอย่าเลิกเขียนผมเลยนะครับเขาขอร้องไอ้หนู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 ผิดมนุษย์มอนาแค่นี้ยายกอปวดหัวจะแย่อยู่แล้วอย่าให้มันหนักกว่านี้เลยนะหลานยายยังไม่อยากอายุสัน้นคนอายุ8ปสิบนำไม่สั้นแล้วนะยายคนเป็นหลานแยงแต่ยายอยากให้อายุยืนถึงร้อยปีจะได้ช่วยเลี้ยงลูกให้เองไงละ่ะ ผมตัดสินใจแล้วว่าจะบวชไม่ศึกแต่เอาเถอะถ้ายายอยากอยู่ถึงร้อยปีผมไม่บวชก็ได้ประเดี๋ยวจะไม่มีใครหุงข้าวให้ยายกินตักน้ำให้ยายอาบไม่เป็นไรถ้าเองจะบวชจริงๆยายไปขอผีสาวเองมาทำหน้าที่แทนก็ได้ขอให้เองบวชไม่สึกอย่างที่พูดเถอะ อย่าให้กลัวจะไปใหม่ตลอดตรอดฝังนะสิรับรองผมว่ายน้ำเก่งยังไงยังไงก็ต้องให้ถึงฝังจนได้นั่นแหละเด็กชายยั่วเอาละ่ะไปทำงานได้แล้วพูดมากเสียเวลาทำมาหากินอย่าให้จะลงไปทางยาแล้วนะคนถูกยั่วพูดตัดบท ตกลงยายไม่เคียนผมจริงๆหรือครับขอสักทีก็ยังดีนะครับพูดพร้อมกับหยิบไม้เรียวส่งให้ยายรับไม้เรียวมาแล้วหักเป็นสองท่อนโยนออกหน้าต่างไปจะสงบจิตสงบใจเชื่อปางน่าหลานนะยายพูดเสียงเรียบจากนั้นจึงเดินลงเรือนไปยังสวนหลังบ้านเด็กชายเจริญหยิบถุงไข่กับปลาเดินเข้าไปในครัว จัดการก่อไฟตั้งหม้อข้าวระหว่างรอให้ข้าวเดือดเขานำปลาดุกออกมาผ่าท้องควักเอาไส้ออกตัดเงี่ยงทั้งสองข้างออกเสร็จแล้วจึงนำไปล้างจนสะอาดหยิบไข่ออกมาสองฟองทุบใส่กละมังใบเล็กใช้ช้อนตีจนขึ้นฟองซอยหัวหอมเติมน้ำปลาลงไปเมื่อข้าวสุกเขานำหม้อหลนปลาร้าขึ้นตั้งไฟเติมน้า และปลาร้าลงไปอีกต้มจนเดือดจึงใส่ปลาดุกลงไปทั้งตัวปิดฝาให้สนิทเพื่อไม่ให้ปลาเหม็นข่าวจากนั้นจึงเอาพริกสดที่ยายเก็บจากต้นเตรียมไว้ให้มาเสียบไม้พร้อมกับหัวหอมหัวกระเทียมยกหม้อหลนปลาร้าลงจากเตาแล้วเขาจึงเผาพริกและหอมกระเทียมยายเก็บผักไว้ให้เขานําผักบุ้งกับตําลึงมาต้ม ส่วนผักกระถินนั้นรับประทานสดสดได้ผักสุกแล้วจึงทอดไข่จากนั้นจึงต้มข้าวให้นางด่างกับนางดำซึ่งใช้ปลายข้าวมาต้มใส่หัวปลาดุกลงไปเป็นน้ำเชื้อลำดับสุดท้ายคือตาน้าพริกเขาหยิบครกหงายขึ้นนาพริกและหอมกระเทียมที่เผาสุกแล้วมาแกะเปลือกออกแล้วโขลกรวมกัน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 แล้วตักใส่ถ้วยเทน้ำปลาร้าใส่คนให้เข้ากันแค่นี้ก็ได้น้ำพริกรสเด็ดที่เขารู้ว่ามันอร่อยโดยไม่ต้องชิมทำกับข้าวเสร็จเด็กชายลงไปที่สวนหลังบ้านช่วยยายถางหญ้าพรนดินเพื่อรอเวลาอาหารค่ำวันนี้มีการบานหรือเปล่ายายถามขึ้นไม่มีครับเขาตอบ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 อย่าลืมว่าเองจะต้องสอบให้ผ่านจะได้ขึ้นไปเรียนมัธยมกับเขาเรียนที่ไหนดีละครับยายเด็กผมแกล่ะถามเพราะโรงเรียนที่เขาเรียนอยู่ขณะนี้มีแค่ชั้นประถมปีที่สไปสอบเข้าวัดโบสถ์ก่อนแล้วกันใกลบ้บานเราหน่อยถ้าเกิดสอบไม่ได้ละครับ หลานชายวิตกต้องได้สิเป็นหลานใหญ่จางสอบไม่ได้ก็เสียชื่อแย่ถ้ายายกลัวเสียชื่อก็ช่วยไปสอบแทนผมด้วยก็แล้วกันเขาเริ่มยัว่วยายไม่ต่อกรด้วยเสดายที่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือหรือต้องยอมให้เด็กผมแกละคนนี้ยเยาะเย้ยถากถา ง, างชาติหน้าฟ้าใหม่ ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกขอให้ลูกได้มีโอกาสเล่าเรียนเขียนอ่านกับเขาบ้างเถอดเจ้าประคุณยายอธิษฐานในใจ